พุทธศาสนิกขาท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าค่ะพระ ตอนนี้ก็เหมือนวัดอื่นๆทั่วไปเลยชุ่มฉ่ําไปด้วยน้ําใช่แต่ก็ยังดีนะคะท่านคะที่ทางการเนี่ยเค้าก็ยังบอกว่า ก็น่าที่จะได้ประโยชน์เยอะเพราะคน ท่านพระบุญก็บอกวิธีไปเรียบร้อยภาวนา มันบอกยากเหมือนกันนะคะใช่เลยเพราะถ้าคนเค้าป่วยสมมุติตัวเองป่วยคือหมาย ค่ะว่าเขาควรจะทราบอาการป่วยของเขาอ่ะว่า แล้วนี่พอถึงเรื่องว่าจะเป็นจะตายเนี่ยโหยเขาจะต้อง 2 คือว่าเขา นะเค้าเค้ามีอันนี้คือข้อมูลที่เช่นว่าไม่เค้าเคยให้ทานมาก่อนหรือไม่เค้ามีอินทรีย์บารมีแก่กล้าขนาดไหนเคยทําสมาธิหรือเปล่านั้นจิตแบบขึ้นลงหรือว่าจิตค่อนข้างสบายๆนะ นะ, นะ, นะ, <คะ. S 1> นะ, 3 ก็ นะคือบางคนเนี่ยพูดแต่ปัญหาปัญหาปัญหาแล้วก็ปัญหาแต่ไม่มีทางแก้ให้เพราะฉะนั้นเราควรก่อนที่เราจะไป นะทั้งเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆควรจะปรึกษากันก่อนค่ะแล้ว นะ, no. <คะ. S 1> 3 ก็คือว่าคือว่าเอ่อเราตายเนี่ย 2-3 คน นะเพื่อที่จะให้เป็นเออมันบอกแล้วเป็นความจริงค่ะอืมเอ่อท่านเป็นบุญค่ะสมมุตินะ เป็นโรคร้ายยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปั๊บอย่างเงี้ยนะเช่นไรอืมซึ่งบาง Google เช่นที่เค้าก็ ก็สามารถที่จะรู้ความจริงมากขึ้นไม่ว่าเราที่เป็นคนที่บอกข่าวเนี่ยอืมก็ว่าตอนนี้มีน้ําในท้องนะคะอืมอันเนี้ยถือว่าโกหกค่ะนะอ่าหรืออย่างบาง นะสอนแค่เรื่องสมาธิฐิอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ถือว่าตั้งเนี่ยผู้บอกก็ต้องคำนึงถึง ที่อ่าท่านจะพูดถึงว่าถ้าท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปานนํามาใช้ในเรื่องแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธี แล้วก็อย่าเบียดเบียนทั้ง 2 ฝ่ายนะเพราะฉะนั้น 1%, 1 แล้วก็แสดงว่าไม่ได้ค่ะก็พอดีเป็น พิจารณาง่ายๆกันนะคะว่าคํานึงถึงเรื่องของการเปรียบเปียนเราหรือเปล่าเปรียบเปียนผู้ป่วยหรือเปล่ามีเพียง 2 สายหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าพูดถึง นี่แหละคือเทวทูตมาถึงแล้วเทวทูตนี่คืออะไรคือทูตที่นําข่าวดีมาให้นะโนค่ะประเสริฐสบายนะเทวทูตนะเป็นทูตที่นําข่าว นะทําความเพียรเพื่อที่เวลาที่ไอ้ความตายหรือสิ่งนั้นมาถึงเราแล้ว <Okay. S 1> คุณจะมีกระบวนการความคิดอย่างไรความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณ ที่อาการไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายอือทุกข์ทั้งหลายนั้นทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็น ที่เมื่อความตายหรือความเจ็บอือผู้ใช่อันนี้ 5 ประการนั่นที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ค่ะคือว่าใช่เฉพาะตัวคนไข้เท่า เออคุณจะได้บุญมากเต็มที่ค่ะไหนแล้วก็เป็นหน้าเนี่ยเราได้ค่ะอืมนี่ก็สังเกตนะอืมตัด สูตรที่จะยื้อเอาไว้ได้ส่วนใหญ่ก็นิมนต์พระถ้าเป็นชาวพุทธนะคะดิดิฉันเอง แต่ความหมายประมาณนี้มันมันมันกว้างมากเลยเกินเอา 8 มรรค 8 ก็ยังกว้างอยู่ดีเอาย่อๆลงมาหน่อยแล้ว ถ้าสมถะวิปัสสนายังมากไปค่ะก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าอ่าคือคือดิฉันคิด พระมาแล้วถ้าเกิดประโยชน์ที่สุดก็ๆก็คือเรื่องของสติอย่างนั้นใช่มั้ยคะใช่หรือว่าถ้าง่ายกว่านั้นพระมาแล้วเราจะให้ ศีลานุสตินี่พาไปสวรรค์ได้พาไปนิพพานได้เหมือนกันโอ้ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่สามารถอือเอาแบบแค่นึกอย่าง มีความดีความงามยังไงเช่นพระอรหันต์เป็นผู้มีวิชาจารณะเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าท่องอิติปิโสได้อ่านั่นแหละนั่นแหละใจค่ะอืมก็นี่ก็ถือว่าเรียนเข้าๆตัว ก็จะได้สบายใจทุกๆฝ่ายนะคะวันนี้ต้องกราบน้อม FM 106 สถานีวิทยุที่ท่านสามารถ โดยผ่านในช่วงเวลาของเรานะคะคือสังสรรค์สนทนานี้ตุลาคมท่านสามารถที่ ก็รับว่า